ฮะบางทำกันหลังจกก็ไม่ได้อยู่สองสามวันไม่ได้แสดงทำเลยด้วยจมูอเป็นอาชีพนะเคยทำงานทำการถ้าไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็อยู่ไม่เป็น ชาวนาก็ต้องตื่นขึ้นมาชิดจะไปนาข้ามมากระชิดจะเข้าบ้านเป็นขีดเส้นทางให้ตัวเองจนเคยชินการปฏิบัติธรรมก็เคยชินเป็นสถาบัน เวลามันหลงรู้มันอยอดเยี่ยมมากไม่ใช่ปล่อยให้เอาหลงที่งเอาไว้มันเป็นการทำดีปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบั ต, ต, ต, ต, ต, ติออกจากทุกข์เป็นสถาบันจะอยู่แห่งห น, บบนใดประเทศใดวันไหนเวลาใดได้ทั้งนั้น เรามันหลงรู้เน่ยไม่มีเรื่องงามยามดีไม่มีการเวลาไม่ไ้เสี่ยงเหมือนทำเหมือนอื่นอื่นต้องเสี่ยงเหตุปัจจัยหลายอย่างแต่ว่าการปฏิบัติธรรมไม่ต้องเสี่ยงเลยเรเหมือนหลงกับรู้นะ ก็ท <inadvert> ุกก็รู้ก็มันโกรธก็รู้เป็นสถาบันอันเดียวหลักสูตรอันเดียวเห็นกายแล้วมีหลักสูตรอะไรที่จะกับกายที่มันเกิดขึ้นกายสภาวะกายไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาเป็นสูตรอยู่ใจได้ม้อสองห้าเป็นสิบสองสามเป็นหก เป็นเป็นสูตรสูตรชีวิตไม่ต้องไปขีดไปเสียนไปท่องจำมีแล้วเห็นกายสบวรกายไอช้สัสตว์อุคคนโตตนเราเขาเาเป็นสุขเป็นทุกข์ที่เกิดกับกายกับใจนี่เรียกว่าสุขกว่าทุกข์ที่เรียก ว, ว่าเวทนา ก็เหมือนการเวทนาสักว่เวทนาไม่ใช่สั์บุคคลโตตนลรเขาสู่ตัวเดียวจิตที่ผลชิดโน่นชิด น, นี้อันพาเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ให้รักก็ให้โกรธพอใจไม่พอใจก็สักแต่ว่าจิตไม่ใช่สั์บุคคลโตตนลราเขา เป็นสูตรเป็นสถาบันอย่างนี้ไม่มีตำราเล่มไหนอันเดียวอะไรก็ตามต้องมีหลักสูตรเป็นสถาบันจะเรียนวิชาไหนทำอะไรมีหลักสูตรน่าจมานหลักสูตรนอาหนีไม่พ้นตอบได้เฉลยได้ผ่านได้ ไม่ว่าอะไรไมีโูตอยู่แล้วก็ไม่ใช่รู้เป็นการฝึกหัดทำให้มันเป็นในภาคปฏิบัติตามได้ด้วยถ้ามันหลงรู้แนี่นไม่ยากเลยอันความหลงเป็นความหลงมันยากกลัวความหลงเพื่อให้เกิดความหลงเรือยไปมันยาก แต่ความหลวงพ่อยเกิดความรู้มันง่ายมันเป็นสมถะวิปัจนาเป็นชีวิตที่มีอยู่ตามแบบของสมถะวิปัจนาถ้าจะเป็นความหลงมันคุ้งมันเป็นเหมือนกับปุ่นสงบรู้สึกตัวเป็นความรู้สึกตัวแล้วก็สงบได้เหมือ น, นพวกเรากด จราหน้าหน้าจะลาตอนบปเทปบาลกลับมาพากันกวดใบตองหน้านี้มันมีพลนดิน ม, มันบินเดิน ม, มนแห้งเราไม่กวดผ่านไปจะคุ้งขึ้นมาแล้วก็ใช้หลักสมาธะขีดน้มใส่ซะก่อนแล้วค่อยกวดก็ไม่มีพล จากการมีผลก็สงบลงเป็นสมถะแบบทำงานแล้วก็พ้นจากผลได้ไม่มีปัญหาแต่ไม่สงบมันมันก็มีปัญหาปีเข้าไปหาถ้วยอาหารเป็นมนต์ภาวะได้นี่คือหลักสมถะที่เป็นนอกตัว แล้วก็มีระเบียบไปทำอะไรที่มันถูกต้องอยู่ในโลกนี้มีวิธีทมหลายอย่างมันหลงี่เป็นฝุ่นรนหนัง่งมีสติมันเป็นปรับฝลุลงให้มันสงบลงแล้วก็ใช้ได้ วิปัจนาคือร่วงพ้นภาวะเก่าร่วงพ้นภาวะเก่าภาวะก่อนนั้นตรวกวดไปฝนวันคุ้งพอพ่นน้ำใส่ฝนมันก็สงบกวดไปก็ไม่มีผลหรือว่าพ้นภาวะเก่าอะไรก็ตามหยุดที่ตำนองนี้บานใช้ชีวิตทั้งหมดในโลก เป็นของที่ทำได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการปฏิบัติธรรมคือเปลี่ยนความไม่ดีให้มันเป็นเรื่องดีอย่าปล่อยเที้ยงไว้อะไรก็ตามในโลกนี้อันมีอันไม่ดีอันอันดีรวมหลง ก็จะปล่อยเที่ยงว้ความทุกข์ก็จะปล่อยเที่ยงว้ความโกรกก็จะปล่อยเที่กกยงว้สังขารปรุงแต่งก็จะปล่อยเที่ยงว้ปล่อยที่งไม่ได้ถ้าไม่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุปัจจัยเหล่านี้ก็มีปัญหาเรื่อยไปยังต้องมีชีวิตอยู่ด้วยการปฏิบัติธรรมตามความลาให้เป็นความดี การทำความร่ายเป็นความดีไม่มีการไม่มีเวลานะแต่มันหลงตอนไหนรู้ได้ตอนนั้นไม่เสี่ยงไม่เหมือนกับทานาทำไรต้องเสี่ยงกับธรรมชาตินี่ท่วมมีแรง การทำอะไรก็ต้องเสี่ยงแต่ว่าการปฏิบัติธรรมไม่เสี่ยงเลยอากาศนี้การทำให้ผลได้น่าจะขยันกันถ้ามโมโห ก, ก็อย่าไปเสี่ยงทำไม่ได้อย่าไปอย่าไปชีดแบบนั้นอย่าเอาได้เอาไม่ได้เพียงแต่รู้จึกตัวเป็นการ แปัญหาเอาที่เหตุมันเหตุมันหลงก็ให้มีเหตุที่มันหลงเป็นเหตุแห่งความรู้สาะแล้วก็พอดีกับไม่ได้หาความรู้ก็ไม่ได้หาที่ไหนขออะไรจากใครไม่อยู่และพ่วงแล้วกับชีวิตเรา พระพุทธเจ้าว่ารู้เรื่องนี้จึงกระเตือเรอร่อนมากถึงบางโอกาดพระองค์อาจจะอยาจะวิ่งเลยทีเดียวจะไปบอกคนสังเกตได้ตอนพระ อ, องค์ตรัสรู้เนี่ยอาจจะต้องวิ่งจากพุทธคยามาพาราณสีต่างตั้งสามร้อยกว่ามล มันก็ตือตือลน้นเหมือนชานาเมื่อฝนตกจอบจอบได้ไม่เดินไม่เป็นต้องวิ่งไปนาวิ่งก็วิ่งเพื่อไปทำปิดกลางน้ำไหลในน้ำไหลเข้านา ถ้าไม่ปิดน้ามันจะไม่เต็มมันแห้งนันเป็นความขยันในตัวเวลามันหลงมาขยันที่จะรู้ถ้าเป็นอาชีพเป็นสถาบันนั่นปล่อยทิ้งไม่ได้เคยมสีสมัยหนึ่งสมัยอยู่ บ้านกั้นฝายไว้ใหม่ๆโดนฝนตกก็ให้บรหยุดมาได้ชวนพระชวนพระมาดูมาดูน้ำก็ไหลอยถ้าปล่อยน้ำไหลฝ า, ายก็จะขาดให้พระ ส่องไฟฉายให้ตัวเองเป็นคนขุดเอาคุณส่องไฟฉายผมจะขุดเองเอาเดินใยที่นี่แถวงทานเนี่ยใกล้ๆบันไดขึ้นทางที่เหนือเนี่ยมันมีบ่อน้ำามื่อจะขุดถอยไปถอยมามันรีบกับน้ำถอยไปถอยมาไปตกบ่อ ตกบัวนะยังไม่ยอมการตกบัวน้ำไม่มีปัญหาค่ว่าว่าเจ็บไหมอาจารย์เจ็บไหมหลวงพ่อไม่เป็นไรเกิดมนาะจับจอบขุดเลยไปมันข ย, ยันเองสิ่งที่มันทำให้ข ย, ยันมันจะเสียหาย ความหลงมันทําให้เสียหายแน่นอนความทุกข์ทำให้เสียหายความโกรธทาให้เสียหายมันจะปล่อยไม่ได้แต่ยังไงก็ต้องเปลี่ยนมันให้ได้โอ้มันทําได้มั่นใจเปลี่ยนหลงเป็นรู้เนี่ยมั่นใจร้อยสองรอยเปเซ็นแล้วเวลามันโกรธเปลี่ยนโกรธเป็นรู้เนี่ยมั่นใจที่สุดเวลามันทุกข์เปลี่ยนทุกข์เป็นรู้เนี่ยมั่นใจที่สุดเลยไม่ปล่อย จะเก็นตายแล้วยังไงก็ไม่ยอมปล่อยให้มันอยู่ได้เพราะมันไม่มีประโยชน์เช่นน้ำอะไลตรงนี้ปล่อยไม่ได้ฝายจะขาดเอาให้ได้แล้วก็ทำได้พอทาได้ก็พลิ้ทางนั่งไปทางอื่นเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายยังโผมใจเราแก้ปัญหาอะไรที่มัน ใหญ่ๆเราเชื่อได้เช่นดับไฟป่าดาวไม่สามารถจะลบกับไฟได้มันก็มีความขยันแบบหนึง่งวิ่งไปข้างหน้าไปทำทางอเอาหญ้าแห้งๆออกเป็นทางไปขวงหน้ามันไว้ตัดทางขวงหน้าไว้ตอนที่ขณะที่ หอบยาออกจากทางไฟนั้นไม่ใช่ไม่เหนื่อยแต่มันเหนื่อยมันก็ความขยันขนาดที่มันเหนื่อยมันก็ตัดทางไว้มันโหมไปโหมไปความไปถึงตรงนั้นไปมันก็อ่อนลงเราก็ลบมันตรงนั้นเลยเราตีกันมุดหลับตาเขาตีกันเลยมันก็สู้ได้ก็คือในโอกาสที่มัน นีปัญหานะมันมีปัญญาถ้าหัดตัวเองสักหน่อยให้เป็นสถาบันนะ่ะกาษาไหลค ว, ความโทษความโกรธความโลภความหลงเกีติหนาปัญญาเรามีมากกว่านั้นจึงเปรียบเหมือนหมามันโถช่างภาษาไหลหมาเฉยๆตอนไว้อะไรน้ำตาเขาโมโถช่างวันนีบหางช่างหักไปแล้ว เออมันเด็กมันมาล้วก็รีบมาขนเริงไม้ขวางทางไปเช่าไปได้มันขยันก็โยสมสมงกระสานรวามจะบอกหมองช่องหักแล้วมันก็ขยัน แ, แต่ยังไม่เห็นเลยไม่ได้ถอยทิ้งไม่ได้เอมาอาบน้ำอาบท่าแล้วอ่ารีบมา แสร็จเลไม่หักอีกต่อไปซ่อมได้เสีน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายชีวิตเดิมมันไม่ยากไปไหนไม่มีวัตถุอะไรเลยไปชีวิตนํามาทำรุ่นๆเป็นกายเวทนาจิตทำปานเจ็บปัญหามไม่ใช่วัตถุเจงของท้าองคมเห็นให้ถูกต้อง ม, มันหลงท้องคมลูกขึ้นมาทัวร์ลุกเขไม่ได้ขอจากใคร นั้นไม่อยู่แล้วโอ้ยเสียดายคนไม่ป่อยตัวเองเป็นทุกข์โกรธทำไมกองแค่นี้นะอาบุดาบึงตะลาอเบาแงกันเปิดทุกข์เกิดโทษลองให้ไม่ดูจากระไโกรธก็ไม่รูจกายทุกข์ก็ไม่รูจากายกรกไราานั่นนี่ย นั้นไม่ใช่เรื่องยากนะปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องกระตือรือร้นมากที่สุดเลยเป็นสถาบันเอาไว้ธรรมสถาบันเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะออท่านทั้งหลายเรียนจบจนเนี่ยมันผ่านจากสถาบันมาทั้งนั้นแล้วเรียนข้อไ่ขอไขอ่านออกเขียนได้มันผ่านสถาบันมามันก็ใช้ได้จริงๆนั่ว่าทำอะไร อัตรกรรมศิลปรกรรมวิชาความรู้หะไรไม่สูตรน่สูตรแม่แต่พระบวชใหม่ขับเครื่องบินนะ่ะก็มีสูตรเหมือนกันนะแต่พระที่มาบวชใหม่มสาสอนใหม่เป็นนักขับนกแอร์นะขอรา มันยังทำได้อันนี้อยู่กับเราเนี่ยไม่ใช่อยู่กับอะไรวันบางคนขับรถมั่นใจบางคนขับล่อขับเกียนขับวัวมั่นใจคขับรถกลัวขับเกวียนเพราะวัวมันเป็นหัวใจของอันนั่งอีกสักสองตัวเอาวัวเทียมเกียนเอาควายเทียมเกวี ย, เยนเอาไม่กะ เอาขับรถเขาก้ากว่าแต่คนขับเรียนบอกว่ารถมันเป็นเครื่องยนต์กลไกจะห้ามมันได้ยังไงเวลมันวิ่งก็วิ่งเอาจนวาอ่นานขับควนะัวขับควายหยุดมันก็อยุดตันเตะแต่มั่นใจควา่าระยะคนขับรถ ผมมั่นใจแบบสถาบันของเขาเขาเดียนจบมาอันตาไปซื้อกระเบื้องสะระ บ, บุรีมงหลังคามบเชื่อน้อยซื้อเป็นแปดเก้ามืนบาทนันก็หนักขับขึ้นเขาขับขึ้นเขาอะเร า, าบอกว่าเขาก็ อยู Cold, ่โหล่เฉยขนาดลดแรงหนักคอยยิ่งขึ้นเขาคุณมั่นใจเลยมั่นใจถ้ามันไม่ขึ้นมันจะไหลลงตกเหวเราทํานความั่นใจเขามั่นใจคนที่ภาษาบันเขาทหลายอะไรก็ตามไปษามั่นใจที่สุดประษาความหลงความโกรธความทุกข์มั่นใจเราให้อยู่เลยถ้ามันไม่อ่ะ วัวแต่มันจะไม่มีแลอวมันสนุกเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีเนี่ยมันชอบจริงๆมันก็ทำได้ถ้าเราไม่หัดถ้าเราไม่ทำตรงนี้มันจะเป็นไปไม่ได้นันสูกรของก็เริ่มจากความรู้สึกตัวใน่ไปนะมันจบง่ายๆซะ หวันเจ็ดวันนะโอ้เจ้าท่าทายอยาง ก, กลางก็หนึ่งเดือนเจ็ดเดือนอย่างช้าที่สุดก็หนึ่งปีเจ็ดปีช้าที่สุดก็เรียกว่าปัททะประมะแล้วไอย่างไวก็อืออะไร อุคติจันยูอุคติจันยูกอได้ฟังธรรมบรรลุธรรมเลยมีมากพระอรหันต์หลายรูปวิปปิจันยูรอสักวันสองวันนยาปัะนาปัะมายะนัยยะก็ น, ยยานานไปหน่อยพระปัะประมาเนี่ยก็เสียงเหมือนกันมีน้อย เม่น้อยพูะเจ้าจังเปรียบพิวิตของคนเน่เหมือนบัวสีเหล่าเหล่าที่สีนั่นน่ะนี่น้อยมากถ้ามันเติดตาตุ่มขึ้นมาในดินก็มีโอกาสพ้นน้ำได้เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ปลาและเต่าก็น้อยจีปจินตุ่มองโลบัวอ่านยิึงยิงน้อยที่สุด สามในสี่หนึ่งในสามตัวมไม่ได้ไม่ส่วนเดียวอันท่านได้ทั้งสามส่วนหนึ่งในสามาปัตถะปรลาบาเนี่ยโอคติจัญญวิปปิติจัญญูนอ ย, ยะสามแล้วปัตถะประปามะอันเดียวเท่านั้นได้ไหมเวลามาหลงรู้ได้ไหมพวกเราฮะได้ไหมเวลามาหลง ลงว่าร้อยข้างรู้มันละวันเราล้อยข้างได้ไหมนี่ว่ารู้เท่ารู้ทันเอาไปนันนะตั้งเคีย่ยวตัวเองสักหน่อยเคีย่ยวตัวเองไงเหมือนกับเราเกี่ยวข้าวมานีนเขาเกี่ยวข้าวกันแล้วนับฟ้อนข้าวกันฟ้อนดังนี้ห้าคำ บางคนเราหวางสองกรรมเรคนบางคนยังยังบางกรรมเดียวยังไม่เสร็จเลยหนึ่งเราหนึ่งเอาข ย, ยันไปตัวนะต่อได้เวลาเลิกขึ้นมาตามรอยเกี่ยวเข้านับถอยหลังดูครึ่งกวัวครึ่งอะไรทีเดียวเพราะบางในความข ย, ยันการทำอะไรที่มันมีผลประโยชน์ ก็ยอมอะไเราก็คนเต็งล่ะอยาไปมอบห้ใครเราก็คนเราก็คนเหมือนลงต๋าไปสอบบูชาแต่ว่าจังหวัดเขาเจ๋งนะเพิ่งตัวเองเพิ่งมาไม่กี่วันนะแต่ก่าไปเล่นอยู่ไหนแต่ไม่ไม่มา เขาก็ จ, จบคนหมดแล้วท่านเข า, าว่าเลรวคิดในเยอะจะเก่งขนาดไหนคนหรอมีกำลังใจเมื่อคนพูดจากนี้นะว่าจะเก่งขนาดไหนคนค น, น, น ะ, ะเ็านนนะ จ, จบคนหมดแล้วตัวเองเพิ่งมาจะเล่นอยู่ที่ไหนแล้ววันที่ตรวว่าเราเข้าสอบถามแต่เรา ของจริงงัวเกินไปข้างหลังจนกรรมการอะไรกันล่ะเนี่ยเดี๋ยวอะไรออกจากห้องนะไม่ใช่ดอกพระข้างหลังมาถามพระจริงยังนะเราไม่รู้จะบอกเลยเราก็เขียนของเราอันไม่เกินกันเท่าไหร่ก็เราให้มีกำลังใจ ความหลงเนี่ยม eh ันไม่เป็นมันไม่ยากเหมือนกับโจดครั้งนี้สาโจทย์อะไรต่อมันง่ายง่ถ้ากระหลงกายก็ะกายสว่วกายเฉลยไปได้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่โอ้กายไม่เป็นตัวเป็นตนน่ะที่โเวทนามาเป็นตัวเป็นตนน่ะที่โอจิตมาเป็นตัวเป็นตนน่ะวิี่ยวทำมาเป็นตัวเป็นตนนั่นน่ะตอบคําเดียวเฉลยคําเดียว ไปก่อนสองห้าเป็นจีบไปก่อนลู่มาลู่อย่าไปให้อย่าแปลผลเขียนลงไปเขียนเลขจีบลงไปก่อนไม่จะแตกแขนทีหลังนะมาเพราะฉนั้นเราเจ๋งแค่ไนจอดแตกแขนทีหลังได้ไม่ใช่เจ๋งเลยทีเดียวมัอนกรีดบันดีมันเฉลยไปได้ก็ไปได้ไปได้ไปได้ไปไ อันนี่ก็มีหลานชายมาส่งเขาบอกว่าขาสอบแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับบําเภอก็ชนะระดับจังหวัดก็ชนะระดับภาคก็ชนะได้ได้ระดับหนึ่ ง, งก็เราเขาจะไปแข่งอีกวก็มั่นมันก็มั่นบ่มั่นใจไม่ยากมัาถ้าคนที่จะท่องเพยยี้ยนพยายาม มันไม่มีอะไรที่ทำไมได้อันนั้นมันยากวกว่าเป็นวัตถุอันอื่นนอกจากเราก่อนตัดสู้ของวิชาไม่มีที่ใดเอากายไปจําำลาเอาใจไปจําำลาเอาสติเป็นนักศึกษาเข้าไปก็มีความขยันพอส้ควรเนาะแก่เท่าเราก็ยังขยันอยู่ที่จะให้ไปเมืองจีนไหมเดือนมกราเนี <laughs> น, น, น่าขยันนะ่าขยันนะักคนนีนยังไม่ยอมเชอือเป็นเรื่องที่น่าขยันเอตโนนบางคนเดินทางมาสี่วันทูติเราตั้งใจขนาดไหนเดินทางมาสี่วันมาปฏิบัติธรรมบางคนนั่งรถ8ปดชั่วโมงสิบชั่วโมง มาก็ต้องใจถ้าหลวงพ่อพูดอย่ามาเชื่อถามชาญโนดดูห <laughs> น้าหน้าหน้าไปถ้ามัก็จะชวนพวกเราไปดูไปอยู่ที่ปฏิบัติธรรมขนาดหนาวๆนาวเลยก็เราไม่ใช่ลำบากนั่งปฏิบัติธรรมนั่งแสดงธรรมเหมือนพระอ้อม ไม่หม่มเขาก็มา ห, มห่มให้ไม่ยอมปิดมือปิดเท้าเอาพ้อ้อมมาขอหั ว, วเหมือนเด็กพออ้าอ้อมเหมะบ้านนั่นเขายังเอาเอย่งนตาตัวนี้อาพาดแล้วนะหลังโก่งลงต่อไปเขาจะบน่นเขาบอกว่าติดเท้าห้เานั่งนี่ต้องค้ำไว้นะ เ, เ, เ, เนี่ยเอวเอวเอวชุดห้อพี่เนี่ย ถ้าได้ถึง8ปดจีบอาจจะโกงโกงหลวงพ่อใหญ่นิ้ามถึงแปดจบกโ ก, กวเวลานั่งต้องข้ามไงจะใส่ใส่ใจจะใส่นั่นนี่ใ น, ในัด่ดาดหลังข้อว่าเวลานั่งจะเห็นหลังกงเอ็นหลังไว้จะลั่งรถ ด, ด้วยกันนะพอนั่งรถไปก็นั่งไปก็นังไปโกงลงไม่ไม่เอาหลังแปะแปะพนักเลย น้องตาก็ผัก อ, อกเข้นไปแล้วหน่อยก็เอาไปเอาไปผัก อ, อกเข้นไปเพรานั่งใกล้ๆกันเราก็่าเอามาอยู่ต่จะรลวงพอกกมันมาถูกตัวเองเราต้องขวัญใจเวลานะั้องกั